วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง6ั้าเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนด ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ทมได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกทางการเลี้ยงดูร่างกายหาเงินหาทองหรือหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกงิ้นกายให้พักสักหนึ่งวัน เพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาความสุขให้กับใจมาทำงานทางธรรมเพราะว่างานทางธรรมนี้เป็นงานที่สำคัญกว่างานทางร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องสิ้นสุดลงเมื่อมันสิ้นสุดลงแล้วสิ่งต่างๆที่หามาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็หมดความหมายไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาติดตัวไปไม่ได้ใจยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ใจไม่สามารถเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของร่างกายไปได้แต่สิ่งที่ใจจะสามารถเอาไปได้ก็คือทรัพสมบัติเข้าของของใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเวลามาทำงานทางใจเลย ก็จะไม่มีทรัพสมบัติติดตัวไปกับใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพระมุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดวันก็จะมีวันพระทั้งหนึ่งครั้งบางครั้งก็แปดวันบางครั้งก็หกวัน แต่เดือนหนึ่งเฉลีย่ยแล้วก็จะมีวันพระอยู่สี่วันด้วยกันเอาวันพระนี้มาทำงานทางใจมาทำงานทางธรรมมาสร้างทรัพย์ภายในให้กับใจเพื่อใจจะได้มีทรัพย์ติดตัวไปเวลาที่นั่งกายนี้ เส้นสุดลงถ้าไม่เอาเวลามาสร้างทรัพย์สมบัติทางใจเลยเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปแบบขอทานใจไปไปแบบคนยากจนเหมือนกับเวลาที่บางประเทศเขามีสงครามกันสร้างเมือง คนที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนก็ขนข้าวขนของไปไม่ค่อยได้อะไรมากไปแล้วก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอพยพต่างๆแต่คนที่เตรียมตัวไว้ก่อนก็อาจจะเอาเงินไปฝากไว้ในต่างประเทศก่อนพอถึงเวลาไปก็จะสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้เลยพราะมีเงินทองที่จะจ่าย ค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้ถ้าไม่มีเงินทองเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศเขาก็ให้ไปอยู่ตามชายแดนไปอยู่ตามค่ายอบพยพต่างๆใจก็เหมือนกันวันหนึ่งใจก็ต้องอบพยพออกจากโลกนี้ไปเมื่อสังค์เมื่อสงครามทางร่างกายได้เส้นสุดลงเมื่อร่างกายถึงแก่ความตาย ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่หามาให้กับร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยเอาติดตัวไปได้ก็ทรัพย์ภายในที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือบุญกุศลต่างๆเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องกาหนดวันพระขึ้นมา เพราะถ้าไม่กำหนดมันพระ<ม>สาธุชนชนทธบริศาสตร์ก็จะไม่ได้มีเวลามาเพราะเวลาทำงานทางโลกแล้วมันผูกมันติดพันกันยิ่งทำแล้วยิ่งติด<ม>จนกระทั่งไม่อยากจะปล่อยเพราะงานทางโลกมันสร้างความโลภให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหยิ่งไม่รู้จักพอ แต่กับทำให้เกิดความโลภอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดพอหยุดแล้วกลัวจะขาดรายได้ไปก็ลองต้องพยายามทำไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะมาทำงานทางธรรมมาสร้างทรัพย์ภายในไป ไปกับตนเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นบ่าวแต่ความหลงของใจทำให้ใจคิดว่าใจเป็นร่างกาย ก็เลยไปทำงานให้กับบ่าวหาเงินหาทองให้กับคนใช้ลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นใครลืมลืมหาทรัพย์ให้กับตัวเองโมแต่มาหาทรัพย์ให้กับคนคนใช้ น, นางกายนี้เป็นคนใช้ของเราของใจใจเป็นเจ้านายของนางกายแต่ใจไม่รู้ความจริงอันนี้ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นนางกาย ก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลร่างกายอย่างดีหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาอะไรต่างๆมาให้กับใให้กับร่างกายตลอดเวลาจนลืมที่จะมาหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้กับใจพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าถ้าไม่มีวันใม่กำหนดวันพากเป็นมานี้ ศรัทธาญาติโยมก็จะไม่มีวันที่จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในเป็นกรอบเป็นกรมได้สร้างได้ก็เพียงเล็กๆน้อยๆเช่นการทําบุญทาทานใส่บาตรอันนี้สามารถทําได้ทุกวันถึงแม้จะต้องไปทํางานก็ยังมีเวลาตอนเช้าที่จะแบ่งเวลาให้กับการทําบุญทําทานได้แต่ทรัพย์ที่สูงกว่านั้น ทรัพย์ที่เกิดจากการปฏิบัติรักษาศีลภาวนานี่เป็นการปฏิบัติที่จะตํำเป็นจะต้องใช้เวลาเวลาจะต้องหยุดทำงานถึงจะมีเวลามาสร้างทรัพย์ที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ที่ได้จากการทำบินทาทางคือทรัพย์ที่ได้จากการรักษาศีลภาวนา ถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างทรัพย์ที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ที่ได้จากการทาบุญทําทานพระพุทธเจ้าก็เลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมาซึ่งในประเทศไทยในยุคก่อนๆ ก, ก่อนที่จะมีการไปทำมาหากินกับต่างประเทศประเทศไทยเราก็จะถือวันพระเป็นวันหยุดทำงานกัน หือวันพระวันโกนวันโกนวันก่อนวันพระแล้วก็วันพระสองวันเป็นวันหยุดทํางานเพื่อที่จะได้ไปวัดกันไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างให้กับใจของตนเองไม่ให้มาหลงอยู่กับการ ทำอะไรให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายเป็นของชั่วคราวสิ่งที่หาให้ได้กับร่างกายก็ก็เป็นของชั่วคราวพอร่างตายร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาให้กับร่างกายก็หมดไปใจไม่สามารถเอาทรัพสมบัติของร่างกายไปได้เลย เอาไปได้ก็ทรัพย์สมบัติทางใจที่พระพุทธเจ้าให้มาสร้างกันในวันพระนี่เองทำไมก่อนเมืองไทยเราก็จะหยุดวันเสาร์วันวันพระวันโกนคนไทยก็มีโอกาสชาวพุทธชาวไทยก็มีโอกาสได้เข้าวัดกันอย่างสม่าเสมออย่างต่อเ น, นื่องได้มีโอกาสได้สร้างทรัพย์ภายในที่ ที่มากกว่าทรัพย์ที่ได้จากการทําบุญทําทานใส่บาตรไดทรัพย์จากการรักษาศีลภาวนารักษาศีลแปดวันพระตัวนี้ิยมไปวัดไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้บําเพ็ญจิตตะภาวนาทําทจิตใจให้สงบแล้วก็ศึกษาธรรมะ ให้จิตใจเกิดความรู้เกิดความฉลาดเพื่อที่จะได้ความรู้ความฉลาดนี้มากําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจสมัยก่อนจึงไม่มีปัญหาอะไรวันพระทุกคนก็หยุดทำงานกันเข้าวัดเข้าวากันได้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่เรียกว่าโลกาพิวัต มีการทำมาหากินติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศซึ่งนานาประเทศเขาก็หันมาใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานกันทางประเทศไทยก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดจากวันพระวันโกนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ <c oughs> ก็เลยทำให้วันหยุดทำงาน ในสมัยนี้มักจะไม่ตรงกับวันพระเพราะวันพระเรายัางถือแบบธรรมเนียมเดิมอยู่ถือตามปฏิทินทางจันท ร, รักติคือทางวันขึ้นแรมต่างๆขึ้นแปดขั้มแรมแปดขั้มขึ้นแปดขั้มขึ้นสิบห้าขั้มแลมแปดขั้มแรมสิบห้าขั้มหรือแลมสิบสี่ําถือเป็นวันพระ เช่นวันพระก็ไม่ได้ตรงกับเสาททุกครั้งไปมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เช่นค ร, ครั้งนี้วันพระก็มาตรงกับวันจันท์ถ้าเราต้องการที่จะหยุดทํางานเพราะวันนี้เป็นวันพระเราก็จะหยุดไม่ได้เพราะที่บริษัทรหรือที่ ราชการสถานที่ราชการที่เราทำงานเป็นวันทำงานเขาต้องเขาต้องให้เราไปทำงานถ้าเราไม่ทำงานเราไม่ไปเราก็อาจจะทำทำให้เขาไม่อยากจะจ้างเราก็ได้เพราะถ้าเราขาดงานบ่อยๆก็จะทำให้ <c oughs> งานของเขาสะดุดงานของเขาไม่ก้าวหน้า เขาก็อาจจะต้องเลิกจ้างเราเปลี่ยนคนใหม่เราเลยต้องสละวันพระไปเช่นวันนี้ก็เลยไปทำงานแทนซึ่งขัดกับเจตนารมของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้เราหยุดทำงานหนึ่งวันแต่เรายังสามารถแก้ปัญหานี้ได้อยู่เราก็ต้องเปลี่ยนวัน ภาของเราให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของเราก็แล้วกันเช่นเดี๋ยวนี้เราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันโกนวันพระแทนก็ได้ไม่ต้องไปถือตามปฏิทินแบบเดิมคือวันขึ้นแรมต่างๆเหมือนที่เรายังใช้กันอยู่ในขณะนี้วันนี้วัน ขึ้นแปดค่ำเดือน1ิดสองเป็นวันพระแต่เราต้องไปทำงานเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของเราให้มาหยุดวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้เลือกเอาวันใดวันหนึ่งวันวันที่เราไม่ต้องไปทำงานเพื่อเราจะได้ไปไปทำบุญที่วัดไปอยู่ที่วัดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ไปรักษาศีลไปภาวนาไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่สับไม่เปลี่ยนเรายังถือตามวันพระแบบเดิมอยู่แต่เราต้องไปทำงานเราก็จะเสียโอกาสโอกาสที่เราจะเอาเวลามาปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติไม่ได้ในวันพระเพราะว่าต้องไปทำงาน แต่ถ้าเราเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทํางานของเราวันเสาร์หรือวันอาทิตย์พอถึงวันหยุดทํางานเราก็ไปวัดได้ไปอยู่วัดไปนอนที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปศึกษาธรรมไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดได้ชาวพุทธเราต้องฉลาดอย่าเป็นเถินตรงจนกระทั่ง ไม่รู้ความหมายของวันพระว่ามีไว้เพื่ออะไรก็ยังรักษาวันพระอยู่ยังทำบุญถ่ายบาทวันพระอยู่แต่ไม่สามารถไปอยู่วัดได้เพราะต้องไปทำงานก็จะเสียโอกาสไปเสียเวลาไปส่วนวันหยุดทำงานก็แทนที่จะเอามาทำเป็นวันพระก็เอาไปทำอย่างอื่นแทนดีไม่ดีก็ทำงานต่อหางเงินต่อ หรือไม่เฉะนนั้นก็ไปหาความสุขให้กับกิเลสตัณหาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปท่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจแต่อย่างใดมันไม่ได้มีอะไรสะสมให้กับใจไม่มีความอิ่มความสุขความพอแต่มีแต่ความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้จิตใจนี้ต้องดิ้นรนวุ่นวายไปกับความหิวความอยากต่างๆ <c oughs> ดังนั้นขอให้เราชาวพุทธเราใช้สติใช้ปัญญาปรับแผนหน่อยปรับวันพกักหน่อยเพออย่างน้อยอาทิตย์เดือนหนึ่งเราจะได้มีวันพระสี่วันพระมีวันหยุดสี่วันเพื่อที่จะเอามาทำภารกิจทางด้านจิตใจ เราเลือกได้วันไหนวันเราหยุดวันไหนล้วก็เอาวันนั้นเป็นวันพระถ้าเราไปทำงานกับบริษัทหรือทำงานทางราชการเขาก็จะให้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแล้วเอามาทำประโยชน์ทางด้านจิตใจเหมือนกับเราทำ ตรงตามวันพระในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้สมัยนี้วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดเสมอไปเราจึงต้องเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทางานของเราก็ย้ายกับปารที่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์พอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็บอกวันนี้วันพระแล้ววันธรรมชวานะวันฟังธรรมวันเข้าวัด วันไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาเราต้องมีวันทำงานทางธรรมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราตายไปนี่เราไม่มีอะไรติดตัวไปนะสิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือบุญกุศลแต่ถ้าเราโม่แต่ไปทำมาหมากินนี่หาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลามาหาบุญหากุศล และนอกจากไม่ได้หาบุญหากุศสแล้วเรายังจะอาจจะหาบาปติดตัวไปด้วยก็ได้เพราะเวลาทำมาหากินถ้าเกิดมีความโลภมากๆบางทีมันก็จะทำให้เราทำบาปกันเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้ได้ให้รายได้ของเรามากขึ้นสูงขึ้นบางทีเราก็ต้องโกหกบ้างบางทีเราก็ต้องช่อโกง อันนี้มันบาปนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรจะเอาติดตัวไปแต่มันจะติดไปกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่า อ, อ๋อไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆทำแล้วออมันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดคุกติดตารางอะไรใช่อยู่ทางกฎหมายเขาอาจจะจับเราไปติดคุกติดตารางไม่ได้แต่ทางกฎแห่งกรรมนี่เขาจับเราไปติดทุกได้ ถ้าเราทำบาปเวลาทำบาปใจของเรานี้จะถูกจับไปขังไว้ในอบาย<ม>ไปจับไปในให้ไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง<ม>ถ้าเรามัวแต่มุ่มงมั่นอยู่กับการหาทรัพย์ทางร่างกายจนลืมกับการที่เราจะม า, าทรัพย์ทางใจกัน แต่ถ้าเรามีวันพระมีเวลาเข้าวัดมีเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรืองเราก็จะได้ยินคําเตือนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทนะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนร่างกายนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ได้จงรีบมาทําประโยชน์ให้กับใจจงรีบมาสะสมทรัพย์ภายในให้กับใจสะสม ทาารัพย์ที่เกิดจากการทำทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการภาวนาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะเป็นทรัพย์ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจร่างกายต้องการปัจจัยสี่ชั้นใดจิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่ทางใจฉะนั้น อาหารของใจก็คือการทำบุญบุญกุศลเสื้อผ้าภรอนของใจก็คือการรักษาสี่ที่วัสัยของใจก็คือสมาธิอยารักษาโรคของใจก็คือปัญญาตอนนี้จิตใจของเรานี่ขาดปัดจจัยสี่ไม่พร้อมเหมือนกับร่างกาย ร่างกายของเรานี้มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ตลอดเวลามีอาหารกินทุกวันมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีบ้านที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มียารักษาโรคแต่ทางใจนี้เราไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้เอาเวลามาสร้างทรัพย์สร้างปัจจัยสี่ให้กับใจกันางนั้นเอง ไม่ได้เอาเวลามาทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเ น, นื่องเรากินอาหารทุกวันแต่เราทำบุญทำทานนี้บางทีเราไม่ได้ทำทุกวันบางคนนานๆจะทาสักครั้งหนึ่งทำในวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดบ้างวันเทศกาลต่างๆบ้างเท่านั้นเองปีหนึ่งก็มีไม่กี่วันส่วน เวลาอื่นก็ไม่สนใจกับเรื่องของการทามุญทาทานเพราะเสียดายเงินเพราะโลภอยากได้เงินก็ อ, อยากจะเอาเวลาไปหาเงินหาทองมาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยไม่เคยนึกถึงเลยว่าเวลาตายไปเอาไปได้หรือเปล่าเอาไปได้ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเอาเงินใส่ไปในโรงเท่าไหร่ก็เป็นของสับปเปลือไปหมดสับปเปลือกเก็บเงินออกจากโรงก่อนที่จะเอา เอาลงเข้าเตาเผาสับปลเลืรู้ว่าเงินทองเหล่านี้เอาไปเผาก็เสียให้ประโยชน์ต่อไปให้สับปลเลืเอาไปซื้อเหล้ากินมือไปทําอะไรของเขาเขาก็จะไม่เอาเงินทองที่ญาติโยมใส่ไปในลงเข้าไปในเตาเผาด้วยเงินทองนี้มีประโยชน์แค่ในขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้น และก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายตามอัตภาพของมันเท่านั้นเองมีมากมีน้อยก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายได้ไม่สามารถยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลกับการหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะไปหา ปัจจัยสี่ให้กับใจเลยอย่างน้อยต้องมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งวันที่เราเอาเวลามาหาอาหารให้กับใจหาเครื่องนึ่งผมให้กับใจหาที่อยู่อาศัยให้กับใจหายารักษาโรคให้กับใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาสีด้วยการเจริญสมาธิ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นยิ่งกว่าความจำเป็นของร่างกายเพราะร่างกายไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องถึงแก่ความตายในวันใด ว, วันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ใจของเรานี้ไม่มีวันตาย ใจของเราอยู่ต่อไปจะอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนหรืออยู่แบบคนที่ร่ำรวยก็อยู่ที่ว่าได้สร้างปัจจัยสีให้กับใจหรือไม่ได้ทำทานทาบุญทำทานอย่างสม่าเสมออยู่รักษาศีลตลอดเวลาฝึกสมาธิทุกวันฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำ นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มากยิ่งกว่าการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพราะว่าถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ปัจจัยสี่นี้จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความหิวโหวยกับอะไรอีกต่อไปเมื่อไม่มีความหิวโหวย ก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับการดิ้นลนหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูให้กับร่างกายพอใจสามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมี <c oughs> ร่างกาย เป็นเครื่องมือมาหาความสุขอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะพึงปฏิบัติกันควรจะมีวันพระทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดือนละประมาณสี่ครั้งด้วยกันแล้วไม่ใช่มีวันพระแล้วจะพอเพียงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างทรัพสมบัติภายใน ให้กับใจสร้างสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจแต่ถ้าอยากจะให้มีปัจจัยสี่เต็มร้อย mm hmm. การปฏิบัติจะต้องเพิ่มมากขึ้นก่ออาทิตย์ละหนึ่งครั้ง mm hmm. แต่ในเบื้องต้นก็ขอให้เรามีจุดเริ่มต้นก่อนเอาอาทิตย์ละเอาอาทิตย์ละหนึ่งเดือนละสี่ครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ให้เราเอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในกันสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจกันพอเราได้เริ่มทำแล้วแล้ว เ, เราได้เริ่มสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติบุญกุศลต่างๆมันก็จะทำให้เราเกิดมีฉันทะคือความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไป พระเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยสี่ทางร่างกายกับปัจจัยสี่ทางใจแล้วปัจจัยสี่ทางใจนี้มันมันสุขมากกว่ามันให้ความอิ่มความพอมากกว่าปัจจัยสี่ทางร่างกายซึ่งให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่สามารถดับความหิวความอยากต่างๆได้มันก็จะทำให้เราเริ่มเห็นความสำคัญ องการที่เราจะต้องมาสร้างปัจจัยสี่สร้างทรัพย์ภายในให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเราก็อาจจะเพิ่มวันพระของเราเป็นอาทิตย์ละสองวันเช่นเราหยุดสองวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปอยู่วัดตอนต้นก็อยู่อาทิศละวันหนึ่งต่อมาเมื่อเห็นคุณเห็นคุณประโยชน์จากการที่เราไปอยู่วัดเราได้รับความสุขความ สบายใจมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายอ่างๆก็น้อยลงไปมันก็จะทำให้เราอยากจะมีวันพระเพิ่มมากขึ้นมีเวลาไปอยู่วัดเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาอีกวันหนึ่งวันหยุดถ้าเรามีสักวันหยุดสองวันเราก็เอาวันหยุดทั้งสองวันนี้ไปอยู่วัดกันแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอต่อไปเราก็จะอยากจะเพิ่มเป็นสามวันก็ได้ เราก็จะต้องคิดถึงวางแผนวิธีทำงานและว่าเราต้องทำงานแบบที่เราไม่ต้องทำเต็มเต็มที่ไม่ต้องทำทั้งห้าวันต่ออาทิตย์อาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือสลับงานหรือขอลดเวลาการทำงานขอลดเงินเดือนลงเพราะว่าเราจะเห็นว่าเงินทองนี้ไม่มีความจำเป็นกับเราถ้าเราเริ่มมีความสุข จากการที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเงินทองที่เราเคยใช้เพื่อไปหาความสุขต่างๆนี้มันจะไม่มีความหมายเท่าไหร่หแทนที่เราจะใช้เงินทองเพื่อไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าเราไปวัดถ้าเราไปปฏิบัติธรรมที่วัด เราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการใช้เงินทองไปเที่ยวด้วยก็ทำให้เราเห็นว่าเงินทองนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญกับเราเสียแล้วมีเพียงไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองที่ยังต้องต้องมีอยู่ยังต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคให้กับร่างกายแต่เงินทองที่จะไปใช้ของฟุ่มเฟือยต่าง เงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายนี้เราก็จะไม่ต้องใช้เสือไม่ไม่ต้องใช้มันพะเรารู้วิธีหาความสุขที่ดีกว่าการใช้เงินทองมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำงานหาไรายได้มากไปเหมือนเมื่อก่อนนี้เราสามารถลดลายรายได้ได้เพราะรายจ่ายเราน้อยลงไป รายจ่ายเราเหลือแค่เพียงเลี้ยงดูน่างกายด้วยปัจจัยสีน่ะัส่วนการรายจ่ายสำหรับของฟุ่มเฟือยต่างๆของบันเทิงต่างๆของการท่องเที่ยวต่างๆนี้ไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่าเราสามารถมีความสุขได้จากการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องทางานทุกวัน เราไม่ต้องเอารายได้อย่างที่เราเคยได้อาจจะขอลดเงินเดือนหรือห้าสิบเปอร์ซเคยได้ร้อยเปเซนบอกตอนนี้ไม่ค่อยมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนะขอลดรายรายรายรับลงขอเงินเดือนลงขอลดเวลาทํางานห้าส<ม>ิบเปอร์เซนเคยทํางานห้าวันก็ขอทําแค่สามวันเป็นต้นถ้าสามารถ าสามารถาปรึกษาแล้วก็คุยกับเจ้านายได้แล้วเขาบอกทำได้เราก็จะได้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นจากสองวันก็เป็นสี่วันมีวันหยุดสี่วันมีวันทำงานสามวันพอมีรายได้มาเลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้วแล้วยิ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นขึ้นเท่าไหร่ความมากน้อยสันโดษมันก็จะมีมีมากขึ้น เมื่ก่อนเราอาจจะหลงไหลกับการอาหารการกินถึงแม้จะเป็นปัจจัยสี่เราก็ยังอยากจะให้มันเป็นของหรูหราเป็นของมีราคาแพงๆแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆหรือปัจจัยสี่ที่มีราคาถูกๆมันก็ทําหน้าที่ของมันได้เหมือนกัน แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปเสียเงินเสียทองใช้ของแพงๆทำไมในเมื่อเราสามารถใช้ของถูกๆแล้วได้ประโยชน์เท่ากันมันก็เลยจะทำให้เราใช้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมามากมาย ก, า, กายกองเหมือนเมื่อก่อนนี้เราก็อาจจะหยุดทำงานหรือเปลี่ยนงานก็ได้ เป็นงานเปนอาชีพอิสระเช่นขายขายขายประกันหรือขายข้าวขายของอะไรตามเวลาที่เราต้องการวันไหนเราคิดว่ารายได้ไม่รายได้ไม่พอก็ไปทำงานไปแต่ถ้าเราเห็นว่ามันพออยู่เราก็ไม่ต้องทำก็ได้ <c oughs> เราจะได้เอาเวลาไปให้กับการ สร้างปัจจัยสี่ทางใจให้เพิ่มมากขึ้นให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็เราอาจจะบอกว่าพอแล้วกับการทํามาหากินทางโลกก็ได้ไปอยู่วัดเลยดีกว่าไปบวชไปอยู่ที่วัดไปหาวัดที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่เราอาจจะไปทําประโยชน์ให้กับวัด เช่นไปช่วยงานในวัดเป็นต้นช่วยทํางานในวัดทางวัดก็จะไม่คิดค่าเช่าที่อยู่อาศัยอาหารก็มีจากพระที่เหลือท่านก็แบ่งมาให้กับญาติโยมที่อยู่ในวัดที่ทํางานในวัดให้กับวัดมีบางวัดที่เราสามารถไปอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินทองแต่เราก็ต้องมีการทํางานบ้าง เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของวัดแต่เวลาส่วนใหญ่เราก็จะมีไว้สําหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขภายในเพื่อสร้างทรัพย์ภายในให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนได้ทรัพย์ที่สูงสุดคือพระอริยทรัพย์เบงต้นเราก็สร้างทรัพย์เทวทรัพย์ก่อน มนุษย์ศยาทรรักษามนุษย์ศยาทด้วยการรักษาศีลห้าไม่ทำบาเพื่อปิดประตูบาย<ม>ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะไม่มีอะไรจะเป็นผู้ดึงไป น, นั่นเองสิ่งที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายก็คือบาเช่นการฆ่าสัตว์การรักทรการประพฤติผิดประเพณี การพูดปดดื่มสุรายามเมาเป็นต้นถ้าเราไปอยู่วัดนี่เราก็จะไม่มีการกระทำบาปเหล่านี้เพราะในวัดมีกฎระเบียบที่เค้่งคัดไม่ให้ทำบาปโดยเด็ดขาดถ้าใครทำบาปก็จะถูกเชิญออกจากวัดไปแล้วนอกจากรักษาศีลห้าได้แล้วถ้าอยากจ ะ, จะเจริญจากมนุษย์ ให้ขึ้นไปเป็นเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมเราก็ทำบุญทำคุณทำประโยชน์ให้กับวัดช่วยงานวัดต่างๆมีงานอะไรที่เราพอจะช่วยทำได้เราก็ทำกันไปแต่ไม่ได้ถือเป็นงานหลักเป็นงานชั่วคราวเป็นงานสั้นๆทำเพื่อเช่นตอนเช้าก็มาช่วยกันจัดอาหารจัดอะไรสถานที่สำหรับ พระมาฉันมารับประทานให้ญาติโยมอะไรมาทำบุญกันเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ก็หมดหมดงานก็ไปทำงานของตนเองต่อไปไปเจริญสติไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิ <c oughs> ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการไปทำมาหากินหาเงินหาทองอีกต่อไป ถ้ายัางต้องใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็ยังจะต้องมีความกังวลเพราะเงินทองที่ใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีรายรายรับนี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วอาจจะหมดได้หมดแล้วมันก็จะลําบากแต่ถ้าไปบวชได้ไปบวชชีได้ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ยิ่งสะดวกไปบวชพระถ้าบวชเป็นพระแล้วนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงินหาทองอีกต่อไป เพราะว่ามีผู้ที่ยินดีสนับสนุนทางด้านปัจจัยสี่ให้กับพระให้กับนักบวชอยู่แล้วมีอาหารให้รับประทานทุกวันมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมีจีวรมียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็ไม่ต้องมากังวลกับการทำมาหากินหาเงินหาทอง จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการทำมาหากินหาเงินหาทองนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมกับการศึกษาธรรมมาสร้างทรัพย์ภายในให้กับใจตอนต้นก็สร้างมนุษยทรัพย์ป้องรักษามนุษยทรัพย์ไม่ให้ใจตกต่ําไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานไม่ให้ไปเป็นเปรตไม่ให้ไปไปนรกด้วยการรักษาศีลห้า แล้วก็มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับวัดตามตามกาลังตามโอกาสก็จะทำให้ได้เทวรัมพั์แล้วจากนั้นก็มาเจริญในคัมะมาละเว้นการเรจ็ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย้วยการมาถือศีลแปดส่วนใหญ่เมื่อมาอยู่วัดแล้วนี่จะจะถือศีลแปดกันเลย สินห้ากับสินแปดนี้จะรวมกัน<ม>ถึงสินแป้วก็จะได้ภาวนา<ม>เพื่อที่จะได้ไปสู่พรมโลกไปสู่ไ ป, ไปรับพรมรัพ์<ม>แล้วจากพรมสัพ์ก็จะได้ไปรับอริยรัพ์<ม>อริยรับก็คือมรรคผลนิพพาน<ม>นก 4, <ม>ักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคืออริยรับ ทรัพที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ต้องเกิดจากการมีเวลาเริ่มต้นจากการมีวันพระถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะไม่มีวันที่ได้เริ่มปฏิบัติสักทีเหมือนกับการเดินทางเนี่ยจะเดินทางระยะทางไกลสักกี่ร้อยกี่พันกิโลก็ตามถ้าไม่เริ่มก้าวแรกมันก็มันก็ออกเดินทางไปไม่ได้ ถ้าอยู่บ้านไม่ยอมก้าวออกจากบ้านไปมันก็จะไม่สามารถเดินทางไปไปไหนได้แต่ถ้ามีการก้าวออกจากก้าวแรกออกจากบ้านไปแล้วมันก็จะมีก้าวที่สองก้าวที่สามตามมามันก็จะพาเราเดินทางไปไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใกล้อย่างไรก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของการเดินทางต้องมีก้าวแรกการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้น จากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เป็นอย่างนั้นต้องมีวันวันแรกให้กับการปฏิบัติวันแรกที่เราไม่ต้องทําภารกิจอย่างอื่นเลยทําแต่ภารกิจทางใจเพียงอย่างเดียวคือการภาวนา<ม>การเจริญสตินั่งสมาธิถ้าเราอยู่ในขั้นภาวนาแล้วเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใ, ใช้ในการทำบุญทาทานก็ข้ามไปได้การทำบุญทาทานนี้ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ถ้าเราอยู่ในขั้นภาวนาได้ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราภาวนาได้เราก็มุงไปที่การภาวนาเป็นหลักเหมือนนักบวชทั้งหลายพระที่มาบวชคนที่มาบวชเป็นพระนี้ก็ไม่มีเงินมีทองติดตัวมาก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการทาบุญทาทาน ให้มากังวลกับเรื่องของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ให้มาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้มีอุเบกขามีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆแล้วก็พอได้สมาธิแล้วก็ออกไปทางปัญญาต่อไปไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ใจไปทุกข์ ว่ามันทำไมถึงต้องไปทุกขกับร่างกายทำไมต้องไปทุก์กับเวทนาทำไมต้องไปทุกกับอารมณ์ต่างๆก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติที่เราไม่ค ว, ไควรที่จะไปก้าวไก่ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแต่เรามักชอบไปก้าวไก่เรื่องของร่างกาย ในร่างกายเราก็ไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตาย mm hmm. พอความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับเรา mm hmm. ถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เราต้องศึกษาให้เห็นด้วยปัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีหรือธรรมอารมณ์ต่างๆก็ดีล้วนเป็นอนิจจังเป็นทองแปรปรวนไม่แน่นอน เมื่อมันไม่มันแปรปรวนถ้าเราไปอยากให้มันไม่แปรปรวนมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปกําหนดมันได้มันเป็นอนาตตามเปนเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันแปรปรวนอยู่เรื่อยๆให้มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเหมือนดินฟ้าก่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มีอากาศเย็นบ้างมีอากาศหนาวบ้างมีอากาศร้อนบ้างมีฝนตกบ้าง ไม่มีใครไปสามารถไปจัดการกับดินฟ้าอากาศได้ถ้าพยายามจะไปจัดการมันก็จะเครียดไปเปล่าๆจะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่ไปจัดการปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใจก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันเป็นขั้นๆไปต้องมีเวลาถ้ายังเอาเวลาไป หาทรัพย์ทางร่างกายหาความสุขทางร่างกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาทรัพย์ทางใจหาความสุขทางใจเราจึงต้องมีวันพระเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปนี้เราควรจะวางแผนว่าต่อไปนี้วันพระเราควรจะเข้าวัดสักไปอยู่วัดสักหนึ่งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันพระเช่นวันนี้ตอนเช้าก็ออกเดินทางมาวัดถ้าเรายังมีกำลังใส่บาตรยังทำบุญใส่บาตรอยู่เราก็ทำไปแล้วเราก็อยู่อยู่วัดต่อไปอยู่วัดเพื่ อ, อเพื่อเจริญสติเพื่อนักษาศีลเพื่อนักษาศีลศีลแปดแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปหนึ่ง ตลอดจะกางท้างถึงวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราถึงค่อยกลับบ้านวันพระวันพระของทางพุทธศาสนาเริ่มต้นตอนเช้าเช้ามืดพอสว่างก็เป็นวันใหม่แล้วจะหมดวันนี้ก็ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ตอนสวา่างถึงจะเป็นวันถึงจะครบถึงจะครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราถ้าเราฝ่ายทำเราอยากจะ สัมผัสจะลรแห่งธรรมที่ชน ะ, ชนะลสทั้งปวงเพราะรสแห่งธรรมนี้เป็นลสที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจอือปนอยู่เลยไม่เหมือนลสต่างๆในโลกนี้ลสของรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะรสของลาบยศสารเส ร, รนนี้มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมอยู่ไม่ใช่เป็นความสุขล้วนๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นความสุขที่ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอเพราะว่ามันเป็นความสุขประเดียวประดาาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟพอมันจางหายไปก็เหมือนกับไม่เคยได้สัมผัสมันมาก่อนเลยก็ต้องหิวโหยกับการไปหาความสุขทางกายอยู่เรื่อยหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอหาไปจนวันตายก็ไม่พอไม่อิ่มเมื่อไม่อิ่มไม่พอ ใจก็ต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาความสุขไปหาลดของของทางโลกหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะก็ได้ทำมามากมายอย่างโชคชร์แล้วภพชาติที่เราได้มาเกิดกันเพื่อมาหาราบยศสารเสริญหา รูปเสียงกิริยานี้มีจํานวนมากมายกายกองจนเราไม่สามารถนับได้ด้วยตัวเลขเราเพียงแต่ประมาณได้ว่ามันมากมากมากอย่างไรด้วยการเอาน้าตาที่เราเวลามาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เราจะต้องเจอความทุกข์เจอกับความเศร้าโศกเสียใจแล้วเราต้องหลั่งน้ำตากันเราน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดเนี้ย ถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยมันได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดแล้วมาล้องหม่มร้องไห้กันกีดขึ้ขงกันถึงจะหลังน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือประการของการมาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกดลดิ่นรสที่หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วก็ไม่สามารถเก็บรักษาให้มันอยู่ไปกับใจได้อยู่ได้เดียวเดียวไปเที่ยวเมื่อวานนี้วันนี้มันก็หายไปหมดแล้วไปกินไปดื่มเมื่อคืนนี้วันนี้มันก็หายไปหมดนะวันนี้ก็ต้องหาใหม่ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องไปกินดื่มไปกินไปดืม่มไปดูไปฟังใหม่ทำอย่างนี้ไปจนวันตายตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมามันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากโลกกะระทำคือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราต้องเปลี่ยนมาหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหากันก็คือความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทาน ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา<ม>นั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อให้เกิดสติเกิดความสงบ<ม>แล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่<ม>อันนี้แหละเป็นรถแห่งธรรมที่จะทําให้ใจมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้น จนมีความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วก็มีความอิ่มเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มให้มากขึ้นจเจริญให้มากขึ้นปฏิบัติให้สูงขึ้นไปความสุขความอิ่มก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีความทุกข์ความหิวก็จะมีน้อยลงไป ตามลาดับจนความทุกข์ความหิวหายไปหมดมีแต่ความอิ่มความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่เป็นปรมังสุขขงังอันนั้นแหละคือคือผลที่เราจะได้รับลถแห่งธรรมที่วิเศษที่สุดก็คือรถของพระนิพพานเองรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงถ้าเราได้ถึงขั้นพระนิพพานแล้วการที่เราจะกลับมา แสวงหาลาภยศฉลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเนี้ก็จะสิ้นสุดลงเราเลิกหาเราเริ่มเริ่มเริ่มหยุดหาตั้งแต่เราเริ่มมาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังเช่นถ้าเรามาเป็นนักบวชเนี่เราก็ไม่ไปหาลาภยศฉลเสริญไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนะเราจะเอาเวลาทั้งหมดมาหาความสุขทางใจ ทานเราก็ถ้าเป็นนักบวชเราก็ทําบุญทําทานไปหมดแล้วเงินข้าวของเงินทองต่างๆที่เราไม่อยู่เราก็ยกให้คนอื่นเข้าไปให้หมดเราไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินทองไปอยู่ปฏิบัติแบบนักบวชอย่างนี้มีสํานักแม่ชีที่เขาก็ทําเหมือนวัดแม่ชีที่ไปบวชอยู่ในสํานักแม่ชีก็ไม่ต้องใช้เงินทองก็ทําหน้าที่ของแม่ชีไปปฏิบัติธรรมไป ช่วยดูแลสถานที่รักษาสถานที่ให้ให้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไปก็เหมือนกับพระพระที่ไปอยู่วัดก็ทำหน้าที่ดูแลาวัดไปปัดกวาดลานวัดทำความสะอาดกุฏิสาราไปอันนี้เป็นงานที่จำเป็นต้องทำแต่ไม่ทำให้มากเกินความจำเป็นเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการ ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเพื่อมาสร้างมรรคผลนิพพานสร้างความสุขสร้างความอิ่มให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจน ถ, ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานพอได้ขั้นพระนิพพานแล้วเทนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำอีกต่อไปเพราะถ้าไปถึงถีดนั้นแล้วความสุขของพระนิพพานความอิ่มของพระนิพพานนี้ จะไม่มีวันพ่องไม่เหมือนกับความสุขที่เราเคยได้จากราบยศเสรสิญได้เดี๋ยวเดียวก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจไปแค่เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความดีใจนั้นก็หายไปสิ่งนี้ก็มาแทนที่ก็คือความความกังวลแล้วว่าจะใช้เงินอย่างไรจะเก็บเงินอย่างไรจะป้องกันอย่างไรไม่ให้คนเข้ามาขอมาขาโมยเงินจากเราไปกลายเป็นความทุกข์แล้ว ความสุขเพียงช่วขณะตอนที่เลยรู้ว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและช่วงที่ได้ไปรับเงินมาเท่านี้พอได้เงินมาแล้วทีนี้ความสุขนั้นหายไปแล้วนี่เหลือแต่ความกังวลแล้วสิว่าจะดูแลรักษาเงินก้อนนี้ได้อย่างไรให้อยู่ไปนานๆไม่ให้สูญหายไปก็ต้องคิดจนกระทั่งปวดหัวก็ก็ก็มีบางทีคิดไปคิดมาลู่งนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ถูกดีป่า ตอนที่ไม่ถูกนี้ไม่เดือดร้อนสบายไม่ต้องมากังวลกับเงินเราจะเก็บอย่างไรจะรักษาอย่างไรแต่พอมันมีมันขึ้นมานี่มันต้องมีความห่วงมีความกังวลขึ้นมาแล้วอันนะีนี่คือความสุขทางโลกเป็นความสุขที่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเจือปนอยู่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลาบ ก, ก็ดียศก็ดีได้ตําแหน่งมาเนี่ยดีใจไปเดี๋ยวเดียวได้เป็นนายก ฉันได้เน้ก็ามาปวดหัวกับการเป็นนายกปวดหัวกับการรักษาตำแหน่งนายกว่าจะรักษาได้อยู่ได้นานทักเท่าไหร่เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็หมดลงไปพอหมดลงไปก็อยากจะเป็นใหม่เนีย่ยมันก็จะทำให้ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปหาความสุขทางโลกหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเรามาหาทางธรรมนี่มันจะ มีความอิ่มมากขึ้นมีความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรเลยแม้กระทั่งนิพพานก็ไม่อยากได้พอถึงพา น, นิพานแล้วแม้แต่การอยากไปนิพพานก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเพราะเมื่อมันถึงแล้วมันจะไปไหนกัเมื่อไปถึงนิพพานแล้วความอยากไปนิพพานมันก็หมดไปความอยากอะไรต่างๆที่เคยมีในใจนี้มันจะหมดความอยากได้สติอยากได้สมาธิอยากจะได้ได อุเบกขาอยากจะได้ปัญญานี้พอมันได้มาแล้วมันก็ทำให้พร้อมได้มาแล้วเอามาทาประโยชน์คือมาสอนให้ใจให้ปล่อยวางให้ใจหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่อยากจะอยากอีกต่อไปงานทางธรรมจึงมีวันสิ้นสุดลงผู้ที่ถึงถึงความสุขเต็มแล้ว เต็มร้อยแล้วถึงความอิ่มที่เต็มร้อยแล้วถึงความพอที่เต็มร้อยแล้วนี้ก็จะรู้ว่ากิจทางพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วงานรักษาศีลงานภาวนานี้จบแล้วทำทำไปก็ไม่ได้อะไรมากไปกว่าที่ได้มาในขณะนี้นิพพานพอได้นิพพานแล้วจะให้นิพพานเป็นสองเท่าสามเท่ามันก็ไม่มีแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็มันก็เต็มร้อยของมันอยู่แล้วสุดสุดแล้ว ไม่มีวันที่ต้องคอยเติมคอยเพิ่มอีกแล้วแล้วมันไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดด้วยไม่เหมือนเงินทองนี้หามาได้นี่หามาได้เดี๋ยวเอาไปใช้สักพักหนึงมันก็พร่องได้มันก็หมดได้ก็ต้องคอยหาใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขความของนิพพานนี้ไม่ต้องมาถอยเติมพอมันเต็มแล้วมันก็จะเต็มไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันพร่องเมื่อไม่มีวันพร่องแล้วก็เลยไม่ต้องทําอะไรทําก็ ทำก็ได้เท่าเดิมไม่ทำก็ได้เท่าเดิมพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านถึงไม่มีกิจอะไรต้องพึงกระทำอีกต่อไปท่านจะอุทานคาําว่าอุสิตังบ ร, รมจารย์ยางกิจในกิจของพรหมจารีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจที่ต้องเจริญสมาธิต้องเจริญสติต้องรักษาศีลต้องภาวนานี่ต้องเจริญปัญญานี้ต้องฆ่ากิเลนี้สิ้นสุดลงแล้วเพราะกิเลกก็ตายหมดแล้ว เหมือนสงครามสงครามที่ฆ่าศึกศักตรูยอมแพ้หมดแล้วยอมวางอาวุธก็ไม่มีงานอะไรต้องทําอีกต่อไปนี่แหละคืองานทางธรรมมีวันสิ้นสุดลงแล้วก็มีวันจบไม่ต้องยุติการไปเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายซ้ําแล้วซ้ํำอีกอยู่เรื่อยๆเหมือนกับงานทางโลกงานทางโลกทําได้มากน้อยเท่าไหร่พอตายไปก็ศูนย์หมดไปเอาติดตัวไปไม่ได้ เราเลยต้องไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาใหม่ไปห า, าลาภยศสรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายใหม่หาไปจนถึงวันตายพอถึงวันตายก็หาอะไรที่หามาได้ก็หมดไปไม่มีอะไรติดตัวไปก็ต้องไปหาใหม่แล้วก็ต้องไปทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับภัยต่างๆทุกกับการต่อสู้เลี้ยงดูร่างกาย ร่างกายก็มีมีความทุกข์ต่างๆที่ต้องคอยต่อสู้ป้องกันมีภัยต่างๆภัยทางธรรมชาติภัยทางโรคภัยไข้เจ็บภัยจากมนุษย์ษยที่มนุษย์ที่โหดร้ายทารุณภัยจากสัตว์เดรัจฉานมีแต่มีแต่เรื่องของความทุกข์เรื่องของความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆถ้าตราบใดมีการมาเกิดน ถ้ายุติการมาเกิดได้ปั๊บปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดสิ้นไปถ้ายุติการมาเกิดได้ก็ต้องมาสร้างทรัพย์ภายในนี้สร้างปัจจัยสี่สร้างความสุขภายในให้มันเป็นความสุขให้เต็มร้อยขึ้นมาให้ได้ให้เป็นนิพพานขึ้นมานิบานังปรมังสุขขังแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องปากลับมาเกิดแก่เจ็บตายมามาทุกขกับการมีร่างกายกต่อไป นี่แหละคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้บรรลุถึงแล้วคือพระนิพพานแล้วก็มีความปรารถนาดีอยากจะให้พวกเราที่ยังติดอยู่ในกับดักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้ออกจากกับกับดักอันนี้ให้เราได้ไปสู่พระนิพพานด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการเริ่มมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง คือในวันพระวันพระเราต้องหยุดทำงานแล้วเอาเวลาของวันพระนี้มาให้กับการปฏิบัติเต็มขั้นเต็มร้อยปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราถ้าเราไม่มีเงินทาก็ข้ามเรื่องการทำทานไปได้มาทำศีลมาภาวนาทําใจให้สงบขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการจเจริญสติ สติมีมากเท่าไหร่ความสงบก็จะมีมากพึ้งเท่านั้นถ้ามีมีสติเต็มร้อยความสงบก็จะเต็มร้อยมื่อมีความสงบเต็มร้อยแล้วก็จะได้ใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อมาทำลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบขอททำลายสิ่งที่มาทำลายความสงบหมดไปใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลามีความอิ่มตลอดเวลา ไม่ต้องทำอะไรต่อไปเพราะความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันพระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาเววะาปุราปวิกุเรนติสาครัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสักปาจันทูปนะราสโยยถามณีโชติรัสโยยถาสัพพิติโยมิวัชันตุ สัพพโรโควินาโตมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันุสุขังภาลัง ลาดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบ ก, กันเพราะจะต้องมีการทำอะไรต่างๆถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจ ท, ทาง You Tube ก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรกราบ น, นรรมชารพราาอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ธรรมนากุติมีผู้รับชมทางเฟ c e b o o k ้า0้อยสามสิบท่าน y o u t u สามร้อยี่สิบเอ็ดท่านทางด r V c h a n ร e ว7ชนลเจ็ดสิบเอ็ดท่านครับเฮา s ์หกท่านวิทยุออนไลน์สิบสามนากุติมีหนึ่งร้อยสิบสามท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันห้าสิบสี่ท่านเจ้าค่ะ ถาถมได้ เ, เจ้าค่ะมีคําถามฝากถามจากทางบ้านเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งกราบขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาบอกวิธีตรวจสอบใจว่าเราวางหรือก้าวข้ามคนที่ทําให้เราทําความโกรธให้เราเกียดได้จริงหรือไม่จะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรคะก็เรายิ้มให้เขาได้หรือเปล่าเรามีขนมแบ่งให้เขากินได้หรือเปล่า เราต้องมีความเมตตาต้องต้องทําให้เขาเหมือนกับคนที่เรารักเราเรารักใครเราก็ให้ของเขาได้ยิ้มให้เขาได้ถ้าเราไม่มีอะไรกับเขาเราก็ต้องยิ้มให้กับเขาได้มีของอะไรแบ่งให้เขาได้ คำถามข้อที่สองเจ้าค่ะหลายวันก่อนหนูถูกกระทบด้วยการกระทำและคำพูดของคนที่ไรมารยาทแรกแรกหนูโกรธตอบ ไปต่อว่าและทะเลาะ ก, กับเขาแต่พอรู้สึกก็คิดว่านี่คือเราขาดสติไปทะเลาะ ก, กับคนบ้าแต่อารมณ์ที่กโกรธขุนขุนยังไม่หายไปจนกระทั่งเดินจงกรมตอนแรกก็พยายามจดจ่อ ก, กับการก้าวเท้าซ้ายขวาสักพักมีความคิดผุดขึ้นมาว่าสิ่งที่หนูถูกกระทําในวันนี้ล้วนเป็นสิ่งที่หนูเคยทํามาแล้วในอดีตไม่ว่าเป็นการคิดเอาแต่ใจตัวเอง กริยาที่ไม่มีมารยาทเพราะคิดได้แบบนี้ความรู้สึกโกรธไม่พอใจก่อนหน้านั้นมันคลายลงค่ะหนูไม่แน่ใจว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นมิจฉาหรือสัมมาของหลวงพอ่อเมตตาชี้ทางเจ้าค่ะถ้ามันใช้ดับความโกรธได้ก็ใช้ได้แต่ละคนอาจจะมีวิธีคิดไม่เหมือนกัน บางคนก็มองว่าเป็นข้อสอบเราเป็นนักปฏิบัติทมเราต้องเจอข้อสอบอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะผ่านข้อสอบนี้ได้หรือไม่ก็ได้เ้าแต่เราจะคิดกันแต่ถ้ามันดับความโกรธดับความทุกข์ใจได้ก็ถือว่าใช้ได้ คำถามจากผู้รับฟังธรรมหนากุติเจ้าค่ะเพึ่งทำผิดพลาดบางประการแม้ยังไม่ถึงกับสินขาดแต่ก็ถือว่ารู้สึกไม่ดีในสิ่งที่ทำลงไปรวมถึงพบป้าโดนคู่กรณีอาจจะไม่จริงใจและตีตัวออกห่างจากที่เคยมาสนิทสนมอยากสำนึกผิดกลับใจเริ่มใหม่อยากสละความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดออก จากจิตใจขอกราบเรียนหลวงพ่อในความรู้ส <BR UR X> <r isa> ึกผิดและขอกําลังใจในการเริ่มใหม่มีใจเข้มแข็งกว่าเดิมเจ้าค่ะเกอเป็นการคิดที่ถูกแล้วถ้าเราสํานึกผิดนี่ก็แสดงว่าเราไม่หีเลโอตปะมีเครื่องป้องกันการกระทําบาปพอเราจะทําบาปแล้วเราเกิดรู้เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็แสดงว่าเราก็มีมีสติมีปัญญา หรือว่าการกระทำบาปไม่เนีเป็นสิ่งที่น่าทํำน่าอบอายขายหน้า<ม>ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่เราควรจะพัฒนาต่อไปต่อไปเราอย่าไปทําบาปใครจะทําทอะไรเราก็ปล่อยเขาทาไปคิดว่าใช้นี่เก่าไปก็ได้หรือเป็นการเป็นการทําข้อสอบไปก็ได้ มีคำถามจากทางช่องด r V. c h a n ร e วีชาแนเจ้าค่ะมีความสงสัยค่ะเห็นหลายๆที่ไปสร้างวัดที่ใหญ่โตบนเขาทำไมถึงต้องสร้างวัดใหญ่โตด้วยคะเห็นมีวัดที่มีอยู่แล้วหลายวัดที่ไม่มีพระอยู่หรือน้อยลงมากๆค่ะเออแต่ละคนก็มีกำลังไม่เท่ากันช้างมันก็ตัวใหญ่มันก็ทำงานได้มากหนูมันตัวเล็กมันก็ทางานได้น้อย ยัเป็นเรื่องบารมีของแต่ละคนคนมีบารมีมากเขาก็อยากจะสร้างอะไรตามกําลังบารมีของเขาซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเป็นการทําบุญทําทานเป็นการทำนุบารุงพระพุทธศาสนา ส่วนคนที่มีน้อยก็ทำไปตามกำลังของตนเองแล้วก็อย่าไปตำหนิคนที่ก็มีกำลังมากกว่าเราคนที่มีกำลังมากกว่าก็ไม่ไปตำหนิคนที่มีกำลังน้อยกว่าต่างคนต่างต้องทำไปตามกำลังของตนตราบใดที่มันเป็นการทําทานตามนำ้ำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ถือว่าใช้ได้เป็นนามิศบูชาเป็นการบูชาพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการสร้างถาวรละวัตถุต่างๆสร้างวัดวาราม เพื่อที่จะได้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปมีคำถามจาก YouTube ช่องพระอาจารย์เจ้าค่ะขอแนะนำรรมะหัวข้อใดเนื่องจากต้องใช้ชีวิตคารวะายังไม่สามารถตัดทางโลกได้ค่ะใช้เมตตาตรมวิหารสีเมตตาการุณามุดีตาอุเบกขา เวลาพบปากับใครก็ต้องถือเขาเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเราต้องมีความเป็นมิตรกับเขาอย่าไปอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาให้มีความเมตตาต่อกันแล้วถ้าใครเขาเดือดร้อนก็ให้การช่วยเหลือกันให้มีความสงสารอย่าดูดายอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเขเดือนร้อนไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราพอที่จะอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปแต่ก็ต้องระวังอย่าทำให้เราตัวลองต้องเดือดร้อนไปด้วยก็แล้วกันส่วนมุติตาก็คือเวลาเขาได้รับความสําเร็จได้รับความสุขได้รับความเจริญได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็สแสดงความยินดีอย่าไปอิจฉ้านิสยาเขาแล้วถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เราทําอะไรให้กับเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บ รักษาไม่หายเราก็ต้องทําใจให้ อ, อบเปิขาอย่าไปทุกข์กับเขามากจนเกินไปจนกระทั่งเราทุกข์ไปด้วย<อ> ต, ต้องคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนถ้าโลกมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นแต่<อ>นี่คือวิธีที่เราจะอยู่กับคนในสังคมและทุกคนในสังคมมีพรหมวิหารสี่โลกเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นตปนสุด จะไม่มีการฆ่าฟันกันไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการแกลงแย่งชิงดีกันยังไม่มีคําถา ม, ขมาเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมนี่นี่เอาเข้ามาได้มีไมโครโฟนอยู่ตรงมาทางด้านนี้ ด, นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ในขณะที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับ ตอนท่านอาจารย์ถ่ายทอดสดที่ท่านอาจารย์เทศนะครับผมอยู่กรุงเทพก็เลยถือโอกาสนั่งสมาธิในห้องพระฟังท่านอาจารย์ไปด้วยปรากฏว่าเสียงธรรมท่านอาจารย์ค่อยๆกล่อมใจลงคือสติก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็ฟังเสียงท่านอาจารย์ไปด้วยจนในที่สุด ความรับรู้ในด้านต่างๆค่อยๆดับไปหมดท่านอาจารย์คือเสียงท่านอาจารย์ก็หายไปมลมหายใจก็หายไปแล้วก็ความรู้สึกว่ามีร่างกายก็หายไปหมดท่านอาจารย์กลายเป็นเหมือนจิตที่มันเป็นลอยเด่นเหมือนดวงไฟกลางอากาศอยู่ในอ า, ากาศสักแต่ว่ารู้<ช>รู้ความว่าอันนั้นแหละคือลักษณะของจิตที่สงบเป็นอย่างนั้นจิตปล่อยวาง ไปวางรูปเสียงจิตลดปวดท่าพาเพราะเราดึงจิตเข้าไปข้างในเข้าไปในสมาธิมันดับหมดทุกอย่างนะอาจารย์จนรสึกเบาสบายมีความสุขครับนอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าจิตนี่มันไม่มีสถานที่ไ ม, มไม่มีทิศทางไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเป็นความว่างเป็นเหมือนความว่างไม่เหมือนร่างกายที่มีขนาดแต่จิตนี้เป็นเหมือนอวกาศเป็นเหมือนความว่าง มันไม่มีทิศทางไม่มีสถานที่เลยท่านอาจารย์มีความรู้มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้ครับแล้วทีนี้เ อ, อพอรู้สึกว่าเป็นที่ที่ไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ที่เห็นเด่นชัดอย่างนี้มาก่อนอจิตก็เลยค่อยๆรับรู้เกี่ยวพันกับร่างกายกลับคืนมามคือเสียงท่านอาจารย์ก็กลับมาเหมือนเดิ ม, มความ รู้สึกทางร่างกายก็กลับมาเหมือนเดิมความรู้สึกว่าจิตที่ไม่มีสถานที่ก็รู้แล้วว่านะขณะนี้อยู่ที่ห้องพระก็จิตเริ่มออกจากสมาธิมากลับเริ่มกลับเข้ามาในร่างกายกลับมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆครับทีนี้กระผมไม่ทราบจะ เรียนถามใครก็เมื่อวานฟังท่านอาจารย์จิตสงบได้วันนี้ก็เลยมากราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ปฏิบัติ ศ, ศึกษาทางจิตใจมาก่อนขอท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับก็พยายามทํานี้ไปเรื่อยๆทํำบ่อยๆทําให้มันสงบให้มันว่างให้มันเย็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, ยเันที่พึ่งทางใจได้เวลาจิตใจเราวุ่นวายเราก็ใช้การเข้าสมาธินี้เป็นวิธีดับความวุ่นวาย ดีกว่าไปใช้เงินไปเที่ยวตามบาตามผับนึกไปไ ป, ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่างๆซึ่งไม่สามารถดับได้เหมือนกับความสงบที่เราได้จากสมาธิ<ะ>ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมาดับความทุกข์ใจของเราอ<ะ>าศั้การฟังเทศฟังทรรนั่งอยู่สมาธิดูลมหายใจไปใจก็สงบได้ทําบ่อยๆแล้วมันจะชํานาญแล้วมันจะเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการครับ<ะ>ครั้งต่อไปมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะ ถ้าเราไปอยากให้มันเข้าต้องทําแบบครั้งแรกคือไม่มีความอยาก ใ, ให้มันเข้าไม่มีเสติยอยู่กับการฟังอย่างเดียวอยู่กับการฟังด้วยการดูลมไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าฟังธรรมก็ใช้เสียงธรรมอย่างเดียวก็ได้คแต่ถ้า<ม>จะดูลมด้วยก็ถ้าไม่ขัดกันก็ไม่เป็นไรก็ดูได้ความรู้สึกคือรู้สึกว่ามันยากมากที่จะดับแยกจากการอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนฮะท่านน่าจะเป็นบุญเก่าบารมีเก่าของเรา เราเคยฝึกฝนมาก่อนแล้วพอเราเริ่มกลับมาทําใหม่มันก็สามารถเข้าได้อย่างง่ายได้าาแล้วต้องพยายามฝึกทําบ่อยๆให้มันชํานาญ<ะ>เหมือนเล่นกีฬาถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็จะชํานาญขึ้นทําอะไรบ่อยๆเราก็จะชํานาญขึ้นครัแล้วรู้สึกว่ามันมีความดึงดูดด้วยนะท่านอาจารย์คือมันดึงดูดให้มีความสงบแล้วก็ในเมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้พอหลับไปตีสามก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิใหม่ใช่รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อไปมันก็จะไม่สนใจกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปนั่งสมาธิดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าครับคือไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกหรืออะไรมันมันตื่นเองเพราะมันมีความรู้สึกดึงดูดใจว่ามันเหมือนอยากดึงให้เราไป พยายามนั่งเหมือนเดิมอีกเนี่อาย์ใช่ปิติบาสีเริ่มปรากฏขึ้นนะปิทติบาสีคืออะไรนะคืวิริยะจิตตะมิมังสาอัตถะคือความยินดีกับความสงบเมื่อมีความยินดีก็จะมีความเพยียนที่อยากจะหาความสงบต่อไปวิริยะคือความเพยียนจิตตะก็ใจก็จะจดจ่อคิดถึงแต่ความสงบครับมิมังสาก็คข้โกลหาวิธีว่าทำยังานให้ใจสงบมากๆค่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์ ต่อไปมันก็จะปฏิบัติมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปครับน่า ต, ตาดีแล้วล่ะมาถูกทางแนละ้วแต่เวลาทำอย่าไปอยากให้มันได้ผลเท่านั้นเองอยากวมันจะไม่เกิดแล้วมันจะทำให้เราท้อได้ครับ้เราทำแบบที่เราทำาข้างแรกไม่ได้หวังผลอะไรฟังทำไปดูลมไปไม่รู้ว่าเราจะเกิดช่างมันจะสงบก็สงบไม่สงบก็แล้วแต่ไม่แน่บางวันสติเราอาจจะไม่กระชับหมือนคั้งนั้นก็ได้ ปกติเราอาจจะไม่ไม่ต่อเนื่องอาจจะเผลอแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็จะสงบยา ก, กแต่ถ้าไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยมันก็จะสงบเลยครับโอเคนะขอบพระครุณท่านอาจออารย์ครับธรรมะของพระเจ้าเป็นสันถิติโกนะเป็นของของแท้ของจริงสามารถพิสูจน์ได้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ยังไม่มีคำถามเข้าม า, มมาจ<า>้ะค่ะเจอเข้า ม, มามีอีกท่านเข้ามากลับมามัธการหลวงพ่อค่ะเออขอสองคำถามนะคะคำถามแรกถ้าเราประสบความสูญเสียอย่างเช่นสูญเสียมิตรภาพหรือว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะ ทีนี้ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยอมรับแล้วก็เวทนาทางใจเนี่ยมันมาเป็นระยะอย่างเช่นออวันนี้มันบางช่วงก็รู้สึกปกติเบาใจบางช่วงมันก็มาแล้วเราก็ทุกข์ใจหนักใจ คือบางทีเวลาที่มันหายไปเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เบาเหมือนไม่ต้องทางานแต่เวลาที่มันเข้ามาเราก็จะรู้สึกหนักเป็นบางช่วงแต่ก็ดีกว่าช่วงแรกๆที่ที่เรายังไม่ได้ตั้งสติยอมรับความสูญเสียต่างๆนะคะอันนี้จะขอคำแนะนำหลวงพ่อในการที่จะจากนี้ไปที่จะต้องอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของ ยอมรับนะคะเวลาที่ความทุกข์ปรากฏเนี่ยลูกจะทำยังไงได้บ้างสองก็คือ เ, อเอช่วงที่เอาเจอคำถามถาเนี่ยังตอบไม่หมดก็ปัญหานี้ก็เราต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองคิดอยู่เรื่อยๆพระเจ้าจบอกให้เราจำลูกอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดามพอเราเผลอไปมันก็ลืมไปมันก็อยากจะให้ไม่พัดพลาดจากกันมันก็จะเศร้าขึ้นแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆจกระทั่งไม่เผลอไม่ลืม มันก็จะไม่มีการอาการเศร้าตามมาเพราะมันเป็นความจริงที่เรารู้ว่าเราฝืนไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้งั้นการพิจารณาของเราอาจจะยังไม่ไม่มากพอยังไม่ต่อเนื่องถ้า ม, มันต่อเนื่องคิดบ่อยๆพอพอนึกได้ป้าก็คิดเลยเราต้องมีพัดพาจากกันพอเราเจออะไรที่เรารักเราชอบต้องบอกต่อไปเราจอาจจะต้องพัดพาจากกันเอามาสอนใจเวลาเราจะมีอะไรที่เรารักเราชอบเจออะไรที่เราลังกงเราชอบเป็นของชั่วคราวนะ ในวันหนึงก็ต้องจากกันไปถามไปเรื่อยต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติเองพันยาไม่ยึดไม่ติดแล้วเพราะมันรู้ว่าจะต้องมีการจากกันอีกคําถามหนึ่งช่วงที่ผ่านมาโยมกระดูกแขนหักนะคะแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องของการบริหารร่างกายโยมก็จะโฟกัสการว่ายน้ําออกกําลังกายเป็นหลัก ทีนี้เรื่องของการทําสมาธิภาวนาเนี่ยก็อาจจะหย่อนลงไปแต่ว่าก็มีวินัยในการออกกําลังกายจนจนสามารถออกกําลังกายได้เป็นนิสัยแต่ว่าก็พบว่าทางด้านจิตเนี่ยมันเหมือนอ่อนกําลังลงอะค่ะทีนี้เรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยมันต้องไปด้วยกันก็ขอขอคำแนะนําของโอวาทหลวงพ่อเลยค่ะคเวลาที่เราทํากายภาพนี่เราสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้ให้ใจเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย อยาให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าว่ายน้ำก็อยู่กับการว่ายน้ำถ้าเดินก็อยู่กับการเดิน mm hmm. ก็มีสติเป็นการเจริญสติก็เป็นเหมือนการทำสมาธิแบบหยับยา mm hmm. มันก็อย่าห้ามใจไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านได้ฉะนั้นพยายามฝึกสติควบคู่ไปกับการดูแลร่างกายของเราอย่างาพาไปบินทบาทพระอาจารก็สอนให้มีสติในระหว่างเดินบินทบาท ให้รู้ว่ากำลังเดินไปข้างหน้าให้รู้ว่ากําลังเปิดฝาบานให้รู้ว่ากําลังทําอะไรไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <S <S ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน <S <S 1> <S 1> ไม่ให้คิดปรุงแต่งอันนั้นก็จะได้สมาธิขั้นแรงขั้นขั้นสติแล้วพอเรามีเวลาทับกายภาพแบบนั่งเฉยๆล้วก็ดูลงไปเรือทําอะไรไปดูร่างกายไปมันก็จะสงบมากขึ้นได้เราสามารถปฏิบัติได้เดี่ยวกับเรื่องเวลาเราดูแลรักษาร่างกายเหล่านี้ ยังสามารถปฏิบัติทำได้ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยถ้าเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดนี้ก็จะไม่สามารถหยุดมันได้เช่นถ้าเราต้องทำบัญชีอะไรอย่างนี้มันต้องใช้ความคิดเราก็ได้สติอยู่กับการทำแต่ใจเราคิดมันก็ได้ครึ่งเดียวเราต้องการได้สติแบบไม่คิด้าใจจะได้นิ่งจะได้ว่างจะได้สงบจะได้มีความสุข หมดแล้วยังหมดแล้วเหรหมดแล้วค okay. ่ะโอเค่าธุจ้ะมีคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณทีค่ะผมมีสัมปะชัญญะรู้สึกตลอดตั้งกายรู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความพิษผ่านเข้ามาแบบนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าครับ ออยังเป็นสติอยู่เป็นการเจริญสติจะเป็นสมาธิก็อย่างที่เมื่อกี้ที่มีคนมาเล่าให้ก็จิตมันว่างมันนิ่งมันสงบทุกอย่างหายไปหมดถึงจะเป็นสมาธิค่ะคำถามข้อที่สองเจ้าค่ะต้องทําอย่างไงจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิครับเขาต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆ ให้ให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวเพตอนนี้ลมกาลังเข้าลมกาลังออกให้รู้แค่นี้พอเจ้าค่ะคำถามจากคุณสงกรานเจ้าค่ะพระอาจารย์สุชาติอภิชาตุตกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวหนักมากคืออะไรยิ่งกำหนดยิ่งหนักจนต้องเปลี่ยนท่านั่งก็หนักอีกต้องแก้หรือไม่ครับหรือว่าปล่อย เ<ไ>ป็นปล่อยไปไม่มีสติาานั่งแบบไม่มีสติกิเลสมันก็จะทำให้เราหนักกิเลสมันอยากจะลุกอยากจะไปทำอะไรอย่างอือ่นใเวลานั่งต้องมีสติต้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปค ม, มถามต่อไปจากคุณพรประพัส์เจ้าค่ะเวลาที่เราตามรู้ว่าเวลาที่เราตามรู้วาระจิตในทุกอิริยาบถ เมื่อมีอารมณ์ขุนมัวเข้ามาแทรกแซงรูกกำหนดจิตว่าไม่ขอรับความขุนมัวนั้นเข้ามาเราตามรู้และสังจิตเราไม่ให้เศร้าหมองไปตามวาระนั้นสักพักความขุนมัวเศร้าหมองนั้นก็หายไป กลับโ่ความสงบทางจิตถ้าไม่หายง่ายๆลูกก็ลุกเดินจงกรมจนกระท้างจิตสงบและผ่องใสแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำเจ้าคะ่ะถ้าสงบผ่องใสก็ถูกต้องมีคำถามจากทางยูทู e เจ้าคะ่ะฝึกดูลมหายใจต้องฝึกไปเรื่อยๆความก้า หน้าถ้าเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะสิ่งที่เจ้าค่ะสิ่งที่ได้เท่าที่มาคือความผ่อนคลายหลับง่ายเจ้าค่ะ อ, อฝึกไปเรื่อยอย่าเคิดปรุงแต่งให้จิตดูลงไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะเบาจะสงบลงไปตามอาดับคทําหมดแล้วเจ้าค่ะ ห, หมดแล้วก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ <สา S 1> <า>